ในภาสิตที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั้นท่านพูดถึงเรื่องความจนกรอกจนมุมของคนวิ่งหาที่พึ่งแบบรสําลสายไม่เป็นท่าไม่เป็นสาระเพราะภายคุกคามแล้วก็ วิ่งไปอย่างนั้นเองตามภาษิต ท, ที่ว่านี่ท่านว่าพระห้องสะระณังยันติปปัตตานิวานานิจัการามารุภเจตยานิมนุษพ์พญตัดชิตาเ <c oughs> นตังโคสะระณังเข้มมังเนตังสะระณามุตตมังเนตังสะระณามะกาะมะสับดุค้าพุทธเจติมนุษย์เมื่อถูกภยัยคุกคามแล้วยอมวิ่งหาที่พึ่ง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 บาลีที่แปลออกมาเป็นอย่างนี้โยจะบุธทธันจะทร ม, มันจะสร้างขันจะเสรนังกตูผู้ใดถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่าเป็นสนะจะตาริอริยสัจจานิสัมปัญญายะปัดสติ ทุขังลุ ข, ขสมุปปังทุขะาสาัจติกมังอเรียนจะทั่งยีกังมักังดุคู่ปะสมังกานินานผู้ใดรู้แจ้งหรือปฏิบัติตนจนถึงความรู้แจ้งซึ่งสัจธรรมทั้งสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมากอย่างกระจับใจผู้นั้นย่อมถึงความพ้นทุกข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 เราจึงอยู่ในค่ายแห่งความพู้คามเหล่า น, นี้ด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรเราจึงจะได้หลักสาร ะ, ะอันถูกต้องแม่นย่างเป็นที่พึงพอใจในการยึดไม่เสียผลเสียประโยชน์ ท่านจึงสอนไว้ให้รู้เรื่องพุทธังทำมังสังขังพุทธท่จะทำมันจะสังขันจะเท่านัก้กระตกนี่ให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็ธประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปฏิปทาที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้รู้เรื่องของความทุกข์ที่มีอยู่ในสัตว์โลกทุกธาตุทุกขันทุกสกลกายไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว์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 และใครเป็นผู้รับทุกขที่กระทบกระเทือนกันอยู่ทุกวันทุกวเวลานี้คือใครและใครเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมแห่งทุก์ทั้งหลายที่กระทบกระเทือนอยู่เวลานี้ก็นอกนอกไปจากใจจะมีอะไรเล่าเนี่เมื่อสรุปลงมาแล้วก็ได้แก่ยธาตุเกียรติขันเกียรจิตใจของเรานี่สันั้นเป็นภาชนะอั น, รรนสําคัญสำหรับรับสุขและทุก์ทั้งหลายที่เป็นไปทั้งมันทั้งคืน เวลาเวลาที่ผ่านไปก็ผ่านไปตามเว ล, า, เวลาของเขาตามการของเขาโดยเขากม็มีความหมายในตัวของเขาเลยผู้ที่มีความหมายในตัวนี่แหละที่คาดที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้นำทุกขเข้ามาใส่ตัวเองได้แก่ใจนอกจากใจออกมาก็คือร่างกายของเรา นิยนเข้ามาแล้วก็มีแต่ร่างกายของแต่ละรายละลายแห่งสัตว์โลกทั้งมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นเป็นกองทุกเป็นผู้รับทราบทุกเป็นผู้รับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากน้อยมากระทบกระเทือนภายในร่างกายจิตใจของเร า, าศาสนาท่านจึงสอนลงที่จุดสําคัญนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่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 ก็ไม่อาจสามารถมองเห็นความจริงได้และจะแก้สิ่งที่ผูกพันหรือทับถมเราได้แต่ทุกนี้ออกจากใจได้อย่างไรเมื่อเราไม่มองจุดที่ควรมองไม่แก้จุดที่ควรแก้จึงควรแก้ลงที่จุดนี้นิบากกระขนคือร่างกายมันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากวตา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 ส่วนเรื่องกิจใจเราจะรักษาด้วยวิธีใดนี่เป็นสิ่งสําคัญท่านพียงให้รักษาด้วยธรรมโอสถสัคตวาพุทธรัตนังโอสะทั้งอุตมังวัลังธรรมรัตนังสังฆาัตนังโอสะทังอุตมังวัลังนี่แหละเป็นยารักษาใจใจเป็นอย่างไรจรึงต้องรักษาเพราะใจเต็มไปด้วยโรคด้วยภัยต่างๆภัยรอบด้านของใจ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 ไม่สนใจกับหมอไม่สนใจกับอยู่กับยาคนไข้คนคนั้นก็มีทางที่จะกาเริดเรื่อยๆหาทางดีไม่มีหาโรคหาทางหาโรคไม่มีคนไข้มีความสนใจต่ออยู่ต่อยาต่อหมออยู่แล้วก็มีทางจะเป็นไปได้นี่เราเป็นประเภทคนไข้ที่สนใจต่อทรรมโอสถอยู่แล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาและพยายามบาเพ็ญตนด้วยอัดด้วยธรรมเชื่อเป็นการรักษาตน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 เป็นสิ่งที่มาหนักหน่วงทวงจิดใจจนเสียการเสียงานแม้แต่ความคิดความปรุงต่างๆในเรื่องทั้งหลายทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งที่เราทำงานอยู่เรายังเรายังคิดได้เหตุใดเราจะคิดอาจคิดทรรมคือพุทธังธรรมังสังขังภายในจิตใ จ, จของเราไม่ได้นี่มีเรียกว่าธรรมโอสถให้เป็นเครื่องบำบุงน้ำใจเราอยู่สมอชื่อว่าเป็นผู้สร้างหลักฐานให้แก่จิตใ จ, จสร้างสิ่งที่ยึดที่มั่นคงให้แก่จิตใ จ, จ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 หาอุบายวิธีที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจตามความมุ่งหมายหรือตามความมุ่งหวังนั้นเป็นไปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะความฉลาดหรือกําลังบางช้างเราไม่พอนอกจากนั้นผู้ไม่สนใจที่จะทําความสุขให้แก่ใ จ, ใจิตใจนี่รู้สึกจะมีอยู่มากแต่หาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นเครื่องเสรมไัยจะมากกว่า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 เรียกว่าเป็นสัตว์พิเศษจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารไม่เหมือนมนุษย์นี่เลยนี่เรียกว่าเราได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายแล้วเราอย่าให้เสียเปรียบสัตว์ทั้งหลายในตอนที่ว่ามนุษย์สูงด้วยความฉลาดแต่ต่ำด้วยการประพฤติกาะโกลทุกมาเผารมตัวเองนี่ไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์รอันใดที่ดีงามอันใดที่เป็นความสุข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 ในทางเป็นความถูกต้องของคนผู้มีหลักเกณฑ์ได้แก่พุทธันจะทรมันจะสังขันจะแรงกตแล้วก็แสดงถึงเรื่องอริยสัจจะทำทั้งสี่ตนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันดีงามชุ่มเยนสุดท้ายก็เป็นผู้ถึงที่อันเกษมเพราะรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่โดยรอบภ า, ายจิตใจเป็นผู้บริสุทธ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 ผู้ไม่ยอมเห็นโทษนั่นก็เป็นขนาดอาจารย์นิเทวทัตนั่นอาจจะเป็นไปได้ในการตําหนิติเตียนนิลบล้างศาสนาคือศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ลบล้างบุญลบล้างบาปให้ศูนย์ไปจากโลกไ ม, ม่ให้มีด้วยความท้าําคันหรือด้วยกิเลสของตนคําว่ากิเลสมันมีอภายในใจแล้วเราจะไปลบล้างอะไรให้มันสูญหายก็ตามถ้าไม่ลบล้างกิเลสตัวมันอยากให้บุญให้บาปสูญหายไปนั้น หมดประจักษ์ใจผู้นั้นแล้วผู้ที่จะหาประกอบทุกทั้งทั้ ง, ท, งที่ลบล้างทุกขนะ์น่ะก็คือใจดวงนั้นแล้ ว, วย่นเข้ามาในหัวใจของเราอพยายามลบล้างทุกข์ด้วยการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบของตอนเองความสุขความสบายเราไม่ต้องไปถามที่ไหนแหละทุกข์มีอยู่ที่ใดความมุ่นวายมีคือใดแก้จุดนั้นได้แล้วความสุขความสบายความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาเอง เท่าที่จิตหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็คือความวุ่นวายนั่นแหละเป็นเครื่องก่อควัเป็นเครื่องทําลายความสงบสุขของใจจึงหาทางเกิดหาทางเป็นมาเป็นขึ้นไม่ได้ก็มีเท่านั้นท่นนี้ได้อธิบายถึงเรื่องการเจาะแสวงหาที่พึงท่านทั้งหลายฟัง ทั้งทางที่ถูกทั้งทางที่ผิดให้เลือกเฟน้นเอานำมาประพื่ปฏิบัติเ ส, ะสาะแสดงหาที่พึ่งของตนภายใน จ, ใจิตใจอะไรที่พึงอันเหมาะสมได้รที่พึงอันกเกษมแล้วจะมีความกเกษมอยู่ภายใน จ, ใจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดจึงขอยึดติทำเพียงเท่านี้